นิทานไทยมนุษย์ขนมปังขิงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชาราอาศัยอยู่กับสามีในบ้านเล็กหลังเก่าพวกเขาไม่มีลูกและรู้สึกโดดเดี่ยววันหนึ่งหญิงชาราจึงตัดสินใจทำตุ๊กตาขนมปังขิงแด่สามีวันนี้ฉันจะอบขนมปังขิง เธอเตรียมพร้อมทุกอย่างจากนั้นก็ผสมแป้งอย่างระมัดระวังนวดแป้งแผ่เป็นแผ่นจากนั้นก็ตัดแผ่นแป้งเป็นตุ๊กตาขนมปังขิงโอ้ตุ๊กตาขนมขิงช่างน่ารักเสียจริงรีบอบเลยดีกว่าหญิงชราเอาเขาเข้าเตาอบเธอรออยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับไปที่เตาอบ หอมน่ากินจังเลยอ่ะยินงชราใช้น้ำตาลไอซิ่งทำผมและปาดของเขาเธอใช้ลูกอมติดเป็นตาและเชอร์รี่เป็นกระดุมหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยตุ๊กตาขนมปังขิงกระโดดออกมายิ้งชราตกใจ<อ>ที่เห็นตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งได้อย่า ก, กินผมเลยตุ๊กตาขนมปังขิงหนีออกนหน้าปาหยุดนะ วิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือตุ๊กตาขนมปังขิงยิงชราวิ่งไล่ตามแต่วิ่งไม่ทันตุ๊กตาขนมปังขิงก็วิ่งต่อไปหยุดนะระหว่างที่วิ่งหัวเห็นเขาช่างหอมสดน่ากินที่สุดเลยนะ ฉันวิ่งหนีหญิงชราได้ฉันก็วิ่งหนีวัวอ้วนเหมือนคุณได้ฮ่าฮฉันหนีได้แน่นอนฮ่าฮาวัวเริ่มวิ่งไล่ผู้ชายตัวน้อยแต่ตุก๊กตาขนมปังขิงวิ่งได้เร็วกว่าวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือตุก๊กตาขนมปังขิง วัววิ่งตามตุ๊กตาขนมปังขิงพร้อมๆหญิงชราแต่เธอตามเขาไม่ทันตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งหนีต่อไปไม่นานก็เจอหมูระหว่างทางดูนดกินจังเลยเห้แล้วอยากกินจังเลยพยายามหน่อยนะเจ้าหมูโสโครบจับฉันไม่ได้หรอกฉันวิ่งหนีหญิงชราได้ วิ่งหนีวัวได้แน่นอนวัวฉันวิ่งหนีคุณได้วิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือตุ๊กตาขนมปังขิงมูวิ่งไล่ตามตุ๊กตาขนมปังขิงเหมือนหญิงชราและวัวแต่เขาตามไม่ทันตุ๊กตาขนมปังขิงวิ่งต่อไประหว่างที่วิ่งแม่ไก่เห็นเขา จะไปให้ลูกกินนะแบบนี้เนี่ยแม่ไก่วิ่งตามตุ๊กตาขนมปังขิงถ้าดูหน้ากินเป็นอาหารเย็นฉันจะพาเธอกลับบ้านไปให้ลูกๆคุณตุ๊กตาขนมปังขิงฉันวิ่งหนีหญิงชราได้ฉันวิ่งหนีวัวอ้วนฉันวิ่งหนีหมูมาได้ฉันวิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตตัวน้อยอย่างคุณได้แน่ฉันหนีได้แน่ วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือตุ๊กตาขนมปังขิงไก่วิ่งไล่ตุ๊กตาขนมปังขิงพร้อมกับคนอื่นๆแต่เธอวิ่งตามเขาไม่ทันตุ๊กตาขนมปังขิงภูงมิใจในตัวเองมากคนพวกนั้นช้าจังเลยเมื่อเขาวิ่งนำหน้าแล้วเมื่อเห็นแม่น้ำเขาจึงวิ่งช้าลง เขากลัวว่าตัวเองจะปวดเปียงหากโดนน้ำใกล้แม่น้ำเขาเห็นสุนัขจิ้งจอกดื่มน้ำอยู่อาหารอันโอชะสำหรับท้องน้อยๆสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งตามตุ๊กตาขนมปังขิงเช่นกันนี่พ่อหนุ่มน้อยเราเป็นเพื่อนกันได้นะรู้ไหมถ้าคุณไม่ว่าอะไรเป็นครั้งแรก ที่ตุ๊กตาขนมปังขิงได้ยินเช่นนั้นเขาดีใจมากคุณสุนัขจิ้งจอกผมยินดีนะแต่ว่ามีข้อแม้หนึง่งว่ามาคุณตุ๊กตาขนมปังขิงช่วยผมฆ่าแม่น้ําได้มไหมละ่ะได้สิพ่อหนุ่มทําไมจะไม่ได้ละ่ะตุ๊กตาขนมปังขิงรู้สึกสบายใจมาเธอคุณตุ๊กตาขนมปังขิงขึ้นมาบนหลังฉัน จะช่วยให้คุณข้าแม่น้ำได้เองตุ๊กตาขนมปังขิงขึ้นหลังสุนัขจิ้งจอกทันทีที่สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขากลิ้งตัวกระโดดอ้าปากกว้างาากินตุ๊กตาขนมปังขิงเข้าไป